กราบท่านกรรมการอิสระท่านกรรมการท่านผู้บริหารกรรมการบริษัทท่านกรรมการดิฉันบริษัททำหน้าที่ 2561 จำกัดมหาชน วันสุขที่ 27 เมษายน 2561ณห้องประชุมของบริษัทแห่งนี้ปัจ 1/2561 ของบริษัททีมพิซิชั่นจำกัดมหาชนได้ณบัด เข้าร่วมเข้าเสเส 100% เสียงเส 75.98% จำนวนผู้ถือหุ้นทั้ง 2283 คนนะจํานวน 31 คนนะ 19 คนนะครับนะครับเอ่อ 166,863,505 เสียง 12 คนนะครับเป็นจํานวนเอ่อ ตาม 4 นะข้อ 35 ได้ระบุว่าการ 25 คนนะครับหรือไม่ 3 นะครับ มอบฉันทา 31 คนนะ 75.98% ก็ 1 ใน 3, 3 นะ เอ่อคนอื่นผมขอแนะนํากรรมการบริษัท ท่าน ดร. พิรรมแจ่มใสนะครับดํารง 3 ขวามือผมนี่ครับ ให้ไก่ก่อนนะครับเพชรมุนีครับดํารงตําแหน่ง นำนำตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทนะฮะกรรมการสรรหาและ กับคุณวิทยาวิทยานะ 2 สอบ ดร. วิรัตน์แอนด์แอสโซซิเอทนะครับเค้า เอ่อรับซ้าบางวาระก็อาจจะเป็น 1 ผู้ 1 เสียงหุ้น 2 ในกรณีที่ผู้ 3 การๆหรือๆในที่ 4 การลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่ บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะ บริษัทได้นําหรือ 5 ประธานจะแจ้งในที่ ครั้งนี้บริษัทจะดําเนินการตรวจ 2561 ซึ่งจะยื่นต่อหรือ ทำเครื่องหมายค่ะ เป็นกฎกติกานะครับในการเอ่อ เอ่อบริษัทล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา 22 มกราคม 2561 นะ นะครับผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ เอกสารรายงานผลการดําเนินงานของ 1 นะครับพิจารณารับ 1/2561 นะครับซึ่ง 20 มีเอ่อเมษายน 2560 นะครับ ผู้ถือหุ้นปีที่แล้วนะครับได้ 1 นะครับในหนังสือเชิญประชุม 2560 นะ 20 เมษายน 2560 นะครับ ก็อันนี้เป็นต้องเป็นวาระ 1/2560 เมื่อ 20 เมษายน 2560 2560 นะ คะแนนเสียงทั้งหมดนะก็ก็ ที่จะ fresh นะจ๊ะเดี๋ยวรบกวน MIS เอ่อลงมติกําลัง ปรับแต่งระบบอยู่นะครับ 2 เลยนะครับเดี๋ยววาระ 1 2 เป็นการพิจารณารับทราบผล เดี๋ยวผมมี 1,231 ล้านนะครับเปรียบเทียบกับปี 10% นะ 3.5 ล้าน หรือ 0.3% on sales นะ บ, loss อยู่ 8.7 ล้านหรือเอ่อนะ 2016 นะปัญหานะนะนะนะ นะ, loss 2 ปี เอ่อปีนี้ก็คงจะแล้วก็ประกาศ ที่อธิบายการดําเนินการป้องและ region ปีที่มีเอเชียเท่าอยู่นะครับทั้งอเมริกา communication กับออโตโมทีฟแล้ว communication เนี่ยที่รถไปเยอะเป็นทีวีดิจิตอลนะครับทําไปเสร็จแล้วก็หลัง เอ่อ Medical กับ Automotive ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆนะครับนะอย่าลังอุตสาหกรรมเอ่อ ถ้าแบ่งตามแบ่งตาม region นะครับดูตามสัดส่วน 29 เป็น 32 ยุโรปนะครับก็ทรงประมาณ 41% นะเอ่อ 59 ก็เป็น 63% Medical ครับเมดิคอลก็ๆนะ ในแง่ของเซลล์เราก็เพิ่มขึ้นด้วย เป็นเป็น 3 เลยวาระที่ 3 ก็คือพิจารณาและ 31 ธันวาคม 2560 นะเป็น CD ไม่ financial data มันเป็นยังไงบ้างนะครับ cross profit นะ 32.1 ก็เป็น 99.8 ทํา 3.5 ล้าน loss 8.7 นะครับ อัน Asset As ก็เป็นแอสเซทนะครับแอสเซทกับ การ uh, trade and receivable inventory น้อย 139 ล้านเพิ่มเป็น 229 ล้านนะ เพิ่มมากขึ้นกันส่วนนึงอย่างเพนะ OT นะเกิดขึ้นนะ OT ลด เอ่อค่าใช้จ่ายโอทีที่ลดลงไปก็คุ้มกับค่าจากจาก 40 ล้าน 23 ล้านนะครับนะ แล้วก็มีพวกพวก payable นะพวก payable อีกนะก็เป็นเอ่อ capital นะครับก็อยู่ 637 ล้านนะครับมี Premium อยู่ 42 ล้านเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะ capital structure นะครับครับ asset อยู่ 1,000 ประมาณ 1,000 ล้านนะครับ 1,000 ล้านไลแอบิลิตี้ก็มีอยู่ประมาณ 300 ล้านแต่ว่าไลแอบิลิตี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแชร์โฮลเดอร์อิควิตี้ก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเดบิตอิควิตี้เรโชก็ต่ํากว่า 1 <ป> <asthma> การลงทุนที่ 44 ล้านนะครับ replace เครื่องจักรเก่า 2 ปีที่ผ่านมาปี 17 แล้ว โอเคก็อันนี้อนุมัติงบ 31 ธันวาคม 2560 นะครับ แล้ว 7 นะครับครับเชิญครับต้อง MIS ดิครับผมสุริยะนะครับผู้ 8% นะแล 18 และปีถัดไปเราจะยังรักษา God ไป Margin เราจะยังรักษากอส product mix ค่อนข้างเยอะนะครับข้าง ปกติแล้ว cost profit margin ก็น่าจะทับ cost profit margin มีการมีขึ้นลง product mix เกิดขึ้นเกิดขึ้น cost margin ไม่เหมือนกันเหมือนก็ ยัง mix นะครับๆๆไป เอ่ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมครับแล้วก็เดี๋ยวผมไป ต้องพิจารณาเอ่อลงมติเอ่อรับ <laughs> ถ้าไม่มีไม่มีเอ่อคงก็เอ่อเอ่อ 31 ธันวาคม 2560 ตามเอ่อเอ่อโอเคต่อ 4 เดี๋ยวติดติดปัญหาเทคนิคนิดหน่อยเอ่อโคตามกฎเกณฑ์คงนะเดนะนะ 4 นะครับพิจารณาอนุมัติเอ่องด วาระเพื่ออนุมัติเหมือนกันนะ เงิน 1 โอเคก็เดี๋ยวเอ่อขอแจ้งเอ่อผล 100% นะ ในวาระที่ 2 ก็เช่นเดียวกันนะ 484,69560 ครับ 3 484,69560 100% นะ 4 นะครับ ตํารา 2560 นะครับเป็นวาระเพื่อ นะครับ 3 ล้านกว่าบาทแค่นั้นเองครับ ก็ 5 นะครับนะฮะ 2 นะ คน 2 รองจากขวาก็มีผมนะครับนะ กล่าวค่ะขอบคุณค่ะเอ่อเลขในวาระนี้นะคะ รัญญาจากสถาบันสาขาวิศวกรรม Eco Songtrau Desa and Manufacturer นะคะทุน 2558 นะคะเป็นกรรมการ 2557 นะ Consulting and Management 49 นะ ได้จากศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะแล้วก็ท่าน อ่าอบรม DAP, DCP, ACP และ RCC นะคะแล้วก็อีกอันนึง ราคาของเอ่อของบริษัทแล้วก็ นะคะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง <ม. S 1> ครับก็อันครับเชิญครับทราบมีสวัสดีค่ะคัด ค่ะขอขอบคุณมากนะคะที่ท่านเลขาแล้วก็ ได้ทราบส่งเอกสารให้ครับโอเคเอ่อเอ่อเอ่อว่าเสียง มีคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยอยู่ 418 เสียงเพราะฉะนั้นคิดเป็นคนที่เห็นด้วยอยู่นะ 99.99% 99 นะก็ถือว่าเสียงข้างมากนะครับนะก็โอเค ค่ะต่อไปท่านที่ 2 นะคะก็คือ 46 ล้าน 288,615 คิด 7.27 นะ 2543 นะคะมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ เอ่อประสบการณ์ Team Solution นะคะแล้วก็ในปี 2538 นะคะหลักสูตร DAP DCP RCP และ RCC 4 ค่ะครับ ถ้าไม่มีผมถือเสียงทั้ง 484 ล้าน 69,560 เสียง 100% ครับขอไปวาระต่อ ได้มีพิจารณาแล้วก็ 6 คนเป็น 7 คนนะครับโดยขอค่ะขอบคุณ ผู้แพ้กรรมการที่เสนอแต่งตั้งนะคะหุ้นปัจจุบันก็ 95 ล้าน 400,000 หุ้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการมหาวิทยาลัย Imperial สหราชอาณาจักรปริญญา ได้นอทติงแฮมสหราชอาณาจักรนะคะประสบการณ์ทํางานจํากัดก็ 2555 จนถึงปัจจุบันในตําแหน่ง 2559 จน Finance Made Design 2554 จน Energy Innovation 2552 ถึง 2555 ตําแหน่ง Branding and Category activation manager ของบริษัท Unilever ยูนิลีเวอร์ Trading ค่ะการดํารงตําแหน่งของกรรมการและ ครับก็เอ่อขออนุญาตให้ทางผู้ถือหุ้น ไม่ไม 6 ท่าน 7 ท่านแล้วก็เอ่อเป็น 6 ท่าน 7 ท่านแล้ว แต่งตั้งคุณสรรพจักรวัฒนสิทธิ์เข้ามาเป็นกรรมการ 48 100% 484 ล้าน เมื่อกี้นี้ในสไลด์ไม่ได้โชว์ว่าถือหุ้น 95 ล้านกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวให้ 7 นะ คืนนะอนุมัติค่าตอบแทน 2561 ครับเดี๋ยวขอตารางขึ้นจอ 2.73 ล้านบาทบาทนะปี 2561 ครับปี 6560 ก็ 2.4 ล้าน 261 ก็อยู่ที่ 2.7 ล้านที่เพิ่มขึ้น ในการอนุมัติค่าตอบแทนผม ที่อ่างบที่ท่านประธานเพิ่มขึ้นมาเนี่ย เอ่อเตรียมจะลงทุนอะไรอยาก อยากอยากจะฟังเค้าเพราะว่ามัน ไม่ได้เพิ่มค่าตอบแทนให้กับกรรมการ 6 6 ท่านนะครับเราก็ 7 ท่านในในแง่ของ ประการ 2 ก็คือเรื่องของการสืบ ควรจะวางแผนกันยังไงในแง่ของกลยุทธ์ต่างๆนะโอเคได้ งั้นเอ่อขออนุญาต 6 ท่านเป็น 7 ท่านนะครับแล้วก็เอ่อ ถือ 100% นะนะนะนะนะครับของผู้ 5 17 นะคะและ นะคะ. 58 ค่าตอบของบริษัทนั้นของผู้สอบบัญชีนั้นจะให้ บริษัทย่อยผู้บริฐานผู้บริหารผู้ถือหุ้น Dr. As Associates มีผลงานปฏิบัติงานที่น่าพอใจแล้วมีบุคลากรที่มี อภิเมธีธำรงนะคะ 3 ส่วนค่านะคะแทนนะคะก็ปี 2561 นะคะ, นะคะ 9500000 บาทนะบาทส่วนค่าบริการอาจารย์ตรวจสอบ ครับลงครับ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีนะครับตั้งผู้สอบบัญชีล้านครับเสียงนะครับวิรัตน์ครับ 484,69,560 9 นะครับ นะครับ 9 เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมี ระบุว่านายจักรพันธ์มานะสถิตนางสุรัตน์เพชรมณีนางมณีภามนะสถิต ความเห็นของกรรมการนะคะก็พิจารณา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง เป็นให้มันก็ไม่เคยมา เรื่องการแก้ 484,69,560 เสียง 10 นะ บ, 3 นะ เดี๋ยวค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อเพื่อรองเด 3 เกี่ยวกับ 10.1 คือ 55 ข้อเพิ่มอีก 5 ข้อเป็นทั้งหมด 60 ข้อโดย 56 ออกแบบติดตั้งงานระบบคอมพิวเตอร์แบบระบบโครงข่ายสื่อสารตั้ง 57 ประกอบ จำหน่ายติดตั้งซอฟต์แวร์ทุก 58 ลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 59 ประกอบเช่นเครื่องกำเนิด และๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง 60 ประกอบกิจการผลิตเช่นพลังงานชีวมวลพลังงานชีวภาพชีวมวลพลังงานความร้อนพลังงานลมชีวภาพพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่นๆแล 10.2 เป็น 37 นะ จากเดิมประกอบกิจการนิติบุคคลส่วนราชการเป็นประกอบกิจการประมูลเพื่อนิติบุคคลส่วนราชการ และองค์การระหว่างประเทศนะคะความเห็นของ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 3 ใน 4 นะครับเพื่อ นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ข้อนะนะนะนะ 3 นะครับโดยเพิ่ม นะ, 60 ข้อนะ ที่เห็นด้วยนะครับเห็นด้วย 484 เสียง 100% นะครับในการ โอเคตอนนี้ๆถ้ามีนะครับเอ่อก็เอ่อจะเอ่อโครงเอ่อเพื่อ okay, okay. okay. ก็บริษัทเองก็พยายามที่จะ เอ่อหวังว่าสัดส่วนเรื่องเร RF เรื่อง IoT นะ เอ่อทอร์เกทของ IoT solar rooftop นะครับที่นะ net metering นะครับก็คือๆน้อย ไม่ครับพอจะตอบคําถามมั้ยครับอยากจะทราบ เรายังไม่ทราบเลยว่าราย ในปีนี้เนี่ยนะครับเราก็กะว่า แต่ปีนี้เนี่ยเอ่อแต product mix ค่อน นะว่า product mix เนี่ยมันมันบางเจ้าก็ออกสินค้าใหม่ๆแล้วนี้ ปีนี้เอ่อผลการประเมินการดําเนินงานก็น่าจะในแง่ยอดขาย ออเดอร์จากอเมริกาเพิ่มขึ้นมาๆ Profit Margin ไว้เท่าเดิม คือไม่นะนะ 25% นะครับที่เราเซตเอาไว้นะฮะที่เราตั้ง เป็นค่อนข้างจะอ่อนตัวไปขึ้นในครึ่งปีหลังค่อนข้าง 1, เปเป 1 คอร์เตอร์ 2 จะ search Soft quarter คอร์เตอร์ 3 คอร์เตอร์ 4 ก็จะ 25% ครับจากปีที่ไหมครับคิดแบบที่เอ่อ most likely ครดี most likely บ, most likely โอเคมีใครมีคำถามไหมครับอยากจะถามอะไรเชิญได้นะครับมี okay. แล้วก็รบกวนกรอบแบบ